6. สุราปานวกเก้ 9. วิกัปปนาสิกาบทว่าด้วยการวิกัปจีวรเรื่องพระอุปนันทศักยบุตรส7 2ยจ็ดในนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุสัทธิวิหาริก ของภิกษุผู้เป็นพี่น้องกันแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุดทอนลำดับนั้นภิกษุนั้นได้แจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าท่านทั้งหลายท่านพระอุปนันธสักยบุตรวิกับจีวรด้วยตนเองแก่กระผมแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุดทอบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าชนะิท่านพระอุปนันธสักยบุตร วิกับจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วจึงใช้สายจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุทอนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทศกัจบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ